อยอดเจริญพรทุกทุกท่านต่อเป็นี้เตรียมฟังธรรมะนะฟังธรรมะไม่ถึงขนาดต้องนั่งพนมมือหรอกทำใจสบายสบายแต่ว่ามีกติกานี้หน่อยนะเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะ์ขอร้องอย่างหนึ่งนะเวลาฟังตั้งใจฟังหน่อยมือถือช่วยปิดเสียงซะนะ เสียงซม่้นเวลากาลังฟังทำอยู่คนอื่นเขาก็ต้องการสมาธิโัรศั์ดังขึ้นมาเนี่ยกวนสมาธิคนอื่นเขาบาปกรรมแล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะพวกเรางวดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอตอนนี้พวกเรายังเดินเข้ามาอยู่ให้ถ่ายได้อีกนาทีหนึ่งเอะถ่ายก็ถ่ายแล้วแล้วเลิกเลยนะยุคนี้เป็นยุคติดกล้องติดมือถือ วันๆถ้าสนใจแต่ของเล่นพวกนี้นะพวกเล่นเครื่องเล่นไอทีลางผลานเวลาของเราหมดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยยากมากเลยหมูพ่อไปดูมาหลายประเทศแล้วประเทศที่เขาเจริญจริงๆนะคนเขาไม่เล่นอย่างนี้นะประเภทก้มหน้าอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่มีนะเขาทำมาหากินมนุษยสัมพันธ์สำคัญมาก พองเรามนุษสัมพันธ์ไม่มีแล้วเรายุ่งอยู่กับมือถือได้หนึ่งนาทีหรือยังได้แล้วเเก็บสาะนะพอแล้วซื่อสัตว์หน่อยนะต่อไปนี้เป็นเวลาฟังธรรมเวลาที่เราฟังธรรมะนะ่ในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะจริงๆเนี่ยมีไม่มากนักรอก ธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อรูบาจารย์ถ่ายทอดสืบทอดกันมายิ่ามรรมของพระพุทธเจ้าลักษณะเด่นของธรรมะของพระ เ, เจ้าคือถ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเนี่ยในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่มากถ้าลงภาวนามาสิบปี20ปี30ปิปีแล้วเหมือนเดิมเนี่ย ต้องรู้เลยว่าไม่ถูกหรอกถ้าถูกแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองได้ถึงขนาดพวกเดลทีเวลาพักพวกจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากมาโตวาทีกับพระพุทธเจ้านี่พวกหัวหน้าเดลทีพวกอาจารย์หรือปรมาจารย์จะห้ามห้ามลูกศิษย์อย่าไปเถียงอย่าไปพูดกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจ ทุก ว, วันนี้หลวงพ่อก็ถ่ายทอดมนต์เปลี่ยนใจนี่นะคือธรรมะของพุทธเจ้าถ่ายทอดด้วยเดินทางไปเทศบ้างเทศที่วัดบ้างด้วยซีดีบ้างยูทูบบ้างในเน็ตก็มีหนะังสือก็พิมพ์แจกผู้คนจำนวนมากที่ได้สัมผัสธรรมะเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเขาเองได้ในเวลาอันสั้นหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนเนี่ยเหมือนเป็นคนเกิดใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ แล้ไม่ใช่เหมือนที่อยู่มาแต่ไหนแต่ไรบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กๆนะจนโตจนแก่ตายไปก็ไม่รู้จะเกิดมาทำอะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็อยู่ตามตาเกันไปตอนเด็กๆเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนบ้างเขาจบแล้วก็ไปทำงานเราก็ทำบ้างเขามีครอบครัวเราก็มีบ้างนะสุดท้ายเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเหมือนคนอื่นอีก มันไม่ได้แตกต่างกับคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะมันคนทั่วๆไปเป็นแบบนั้นนี่ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยได้โอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆ แ, แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราที้เกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อจะมาอยู่มากินม า, มาสืพันธ์มานอนแล้วก็ตายไปแบบสัตว์ เราเกิดมาทั้งทีนั้นเพื่อมายกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนวันหนึ่งใจเราพ้นจากความทุกข์สิ้นเฉิงนั้นจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความดับสนิทแห่งทุกขนะ์ปฏิบัติไปแล้วไม่ทุกข์งั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเอาเฮงบางคนก็มาปฏิบัติทำแก้บนขอให้รวยขออย่างโน้นขออย่างนี้ ้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพทุทธศาสนาในการที่จิตใจเราจะยกระดับตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนี่ยถ้าเรารู้วิธีของพระพุทธเจ้าแล้วในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือ น, นมันจะเริ่มเห็นผลนเวลาไม่นานจะเริ่มเห็นผลเื่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปเราเคยทุกข์มากเราก็เหลือทุกข์น้อยเราเคยทุกข์นานเราก็เหลือทุกข์สั้นเปลี่ยนด้วยตัวเองรู้สึกด้วยตัวเอง อย่างหลวงพ่ไปเทศที่นอนที่นี่นะบางทีนั่งรถไปไปแวะตามปั๊มน้ำมันไปเข้าห้องน้ำอนะไรคนจะมาขอบคุณก็มีนะได้ฟังซีดีได้ฟังยูทูบอนะไนีชีวิตเขาเปลี่ยนดงั้นพวกเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันพวกเราไม่ได้งงกว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกนี่ถ้าเราไม่สนใจเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติมันก็เปลี่ยนได้ หลักสูตรของพระพุทธเจ้านะมนเรียกว่ามีสามหลักสูตรคือศีลสิษยาจิตศิษยาปัญญาศิษยาเรียนเรื่องทํำยังไงจิตใจจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำํำไม่ทําผิดทางกายทางวาจาไม่ทาผิดศีลนั่นเองคนทําผิดศีลได้นะใจมันถูกกิเลสครอบก่อนถ้าใจมันทําผิดศีลก่อนนะมันก็สั่งให้กายวาจาทําผิดศีลงั้นถ้าเรารู้จักวิธีดูแลจิตใจของเราเนี่ยกิเลส ครอบงำใจเราไม่ได้เราไม่ผิดศีลศีนะ่านะรักษาง่ายคนทั่วไปเนาะจะรู้สึกว่ารักษาศีเนะ่ารักษายากมากโดยเฉพาะข้อศีนะรักษายากพูดแป๊บเดียวมันก็เป็นพูดเฟอร์เจอร์พู ด, พดฟุงซ่านไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรขึ้นมาแนละ้แต่ถ้าเราสามารถรักษาใจได้เพีเดียวนะถ้าใจมันดีซะอย่างเดียวนะ่ะกายวาจารมันก็ดี แล้บทเรียนที่2เรื่องจิตศิกขามาฝึกจิตของเราให้มันมีสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นทำไปเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบแล้วก็มีกำลังนะมีความตั้งมั่นมีกำลังมีความตั้งมั่นสามารถเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะั้นเป็นบทเรียนสุดท้ายชื่อว่าปัญญาศิกขา งั้นแล้วคนทั้งหลายจะโล่งฟุ้งพ้นทุกความทุกทุกไปได้นะอาศัยการเจริญปัญญาลําพังถือศีลนะยังไม่พ้นทุกหรอกลําพังทําสมาธิไม่พ้นทุกหรอกที่จริงแล้วศีลมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายเขาคิดได้ทัืงศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิมันก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือศีชีไพลนั่งสมาธิทิ้งได้นานๆหลายๆวันนะ นั่งสงบนานไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นเดือนแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาค้นพบเส้นทางอันใหม่ขึ้นมาในเส้นทางของเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสติปัฏฐานอะไรเงี้ยท่านถึงขนาดสอนนะบอกว่าบุคคลเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจมันจะ ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจนี้แล้วจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเมื่อจิตใจไม่ไปยึดถือในร่างกายนะีถ้าร่างกายแก่มันไม่รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายเจ็บมันไม่รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายตายมันไม่รู้สึกว่าเราตายมันรู้แต่ว่ารูปธรรมรูปธรรมมันแก่มันเจ็บมันตายไปไม่ใช่ตัวเราอย่างคนทั่วไปนะเวลาแก่ขึ้นมาก็กลุ้มใจว่าเราแก่ เวลาไม่สบายก็ว่าเราเจ็บเวลาจะตายก็เราตายมันมีแต่เราเราเรานะถ้าเราจเจริญปัญญามากพอมัจะเห็นว่ามีแต่รูปธรรมกับนามธรรมไม่มีเรารูปธรรมนี่มันเก่าคล้ำคล้าล ง, งไปเนี่ว่ามันแกนะ่มันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นมากนะมันเจ็บในส่วนมันก็แตกสลายมันตายไปรูปธรรมนามธรรมเองนะก็เป็นของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกในใจเราเนี่เปลี่ยนตลอด เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเมียนไปเรื่อยดังใจบางคนก็ขี้โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายวันหนึ่งโกรธได้ร้อยครั้งปันครั้งบางคนเีก็ใจขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้หมดนะเห็นของก็อยากได้ของเห็นคนก็อยากได้คนเห็นเงินก็อยากได้เงินเห็นอะไรก็อยากได้หมดนะใจมันโลภตลอดไปละแต่ถ้าพอมาเจริญปัญญาม่เห็นความโลภมันเกิดได้เองมันดับนี่เองเราสั่งมันไม่ได้ เห็นอย่างนี้นะความโกรธความโลภอะไรมันครอบงาจิตใจไม่ได้อะไรๆก็ครอบงาจิตใจไม่ได้จิตใจมันเป็นอิสระขึ้นมาเขากิเลสมันครอบงาจิตใจไม่ได้จิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงจิตใจของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้รับการฝึกอบรมมันเป็นทาตของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวแต่ละคนถ้าเป็นทาตโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นทาตเราก็รู้สึกว่าเราอิสระไม่มีใครสั่งเราได้บางคนน่าพยองมากเลยวนะ่า ไม่มีใครสั่งชั้นได้หรอกฉันแนงจริงชั้นใหญ่จริงที่แท้ถูกกิเลสสั่งมันสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องทำนะมันสั่งให้กินอยากกินนันนู้นก็จะต้องไปกินอยากให้ไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปอยากอย่างโน้นอยากอย่างนีอนองงน้นะลองสังเกตในใจเราเนี่ยวันหนึ่งความอยากเกิดกี่ครั้งลองดูสิเกิดน้ำไม่ท่วนนะอย่างอยากมาฟังเทศ อยากมาฟังเทศเจอรถติดองอยากให้ถึงเร็วๆอยากให้รถไม่ติดอีกมาขึ้นมาได้บางคนก็อยากนั่งข้างหน้านะบางคนก็อยากอย่างนอนอยากอย่างนี้นั่งสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอีกแล้วเนะี่ยความอยากนะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเราก็ตกเป็นาธาตของความอยากตกเป็นาธาตุของกิเลส น, นะมันสั่งเราตลอดมันตัวตัวกิเลสตัวที่อยากนอนอยากนี้นะเรียกว่าตัญหา อย่างของมันไม่มีอยากใ ห, ให้มันมนะีของที่มีแล้วถ้ามันถูกออกถูกใจก็อยากให้มันอยู่นานๆของที่มันมีขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจก็อยากให้มันหายไปเนี่ยความอยากมีนานาชนิดวัตถุแห่งความอยากคือสิ่งที่เราอยากมีอะไรมึ่งอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่มาสัมผัส ร, ร่างกายที่ดีๆอยากได้เรื่องราวทางใจที่ดีๆเนี่ยนะอยาก ให้พ้นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวทางใจที่ไม่ดีเนื่อใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดวันทุกคราวที่ใจมีความอยากนะใจจะกระเพื่อมบ่นไไว่เนี่ยเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมนะไม่ยากอะไรหรอกขั้นแรกถือสีห่หไว้แล้วค่อยๆสังเกตใจตัวเองให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าสมาธิสมาธิอจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักใจลอยไหม ใจลอยคือาภาวะที่ไม่มีสมาธิใจร่องลอยไปที่อื่นนะใจไม่อยู่กับบ้านไม่เข้าฐานใจร่องลอยไปงั้นอย่างเวลาเรานั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธินะเห็นพระพุทธรูปเห็นนอนเห็นนี่นะอันนั้นไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพุทธเจ้าคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ล่องลอยไปมีร่างกายรู้สึกร่างกายมีจิตใจรู้สึกจิตใจในเรื่องของสมาธิ รู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาที่ใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนั่นแหละคือภาวะที่ไม่มีสมาธินี่ถ้าใจิตใจเรามีสมาธินะมีร่างกายเราก็รู้สึกมีจิตใจเราก็รู้สึกเราถึงจะเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นคือการเห็นความจริงของกายของใจนะคือการเห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุธาต เป็นตัวทุกข์นะมันจะแก่ตัวทุกข์มันแก่มันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บมันตายตัวทุกข์มันตา ย, ตตายใจไม่ทุกข์นะเราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดได้ดับได้ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกขนะ์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโลกโกรดลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างมาเราไปมาแล้วไปเนี่ยอย่างเนี้เรียกว่าเจริญปัญญาแต่เราจะเจริญปัญญานะคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ไดนะ ขั้นแรกสุดเลยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนต้องมีสมาธิซะก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิ атель, คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไหมมันจะเห็นไม่ได้เพราะมีกายลืมกายมีใจลืมใจงั้นจุดเนี้เป็นจุดใหญ่นะที่ว่าจิตใจต้องอยู่กับเนือกับตัวถ้าเราจิตใจเราล่องลอยไปมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้อย่างไร การเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจมีศาสนากรรมฐานเนี่ยเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่เองความจริงก็คือความไม่เที่ยงการที่มันถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าของซึ่งมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีคําว่าเป็นทุกข์หมายถึงของที่กําลังมีและกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีคําว่าเป็นอนัตตานีคือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีนะ เป็นไปตามเหตุไม่ใช่เราสั่งได้เนนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของกายของใจงั้นก่อนที่เราจะมาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจหรือทำวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยต้องมีกายมีใจเสีก่อนถ้าลืมกายลืมใจนะั้นจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ไงอย่างเราอยากทํางานวิจัยอะไรสักเรื่องนะจับเชื้อโรคมาเอามาส่องกล้องดูแล้วใจลอยไปที่อื่นไม่ได้ดูเชื้อโรคเลยมัวไปดูอย่างอื่นมัวแต่ควักมือถือมา ดูนอนดูนี่ไปนะมันก็ไม่เห็นเชื้อโรคสิงนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะจิตใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวก่อนนะตัวนี้สำคัญนะไม่ใช่สมาธิหลับหูหลับตาแล้วก็ลืมตัวเองไปเคลิ่มเคื่มไปหลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเลยเพราะว่าหลวงพ่อทำสมาธิแบบนั้นมาก่อนตั้งแต่เจ็ดขวบนะครูบาอาจารย์สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับ2 พอจิตเริ่มสงบเนะี่ยการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุโทโธหายไปเหลือแต่การหายใจนะเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมากลายเป็นนิมิตนะเป็นแสงสว่างแสงสว่างเรื่องอุคหานิมิตนะย่อดได้ขยายได้นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะอย่างไปนั่งดูเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปอันนี้นิมิตทั้งหมดเลย ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ได้เห็นกายเห็นใจตัวเองไปเห็นอย่างอื่นก็งหลวงพ่อนั่งสมาธิตอนเด็กๆนะใจดวมสว่างขึ้นมาน่ะสว่างขึ้นมาเนยอยากเห็นเทวดาแสงสว่างก็ฉายปุ๊บไปเลยนะเหมือนมันมันฉายหนังเคยเห็นเครื่องฉายหนังกลางแปลงไหมฉายออกไปปุ๊บ่อไปก็ไปเห็นภาพเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนะจริงหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้หรอกจิตาจจะหลอนก็ได้ แล้วไปนั่งดูสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเทวดาสวยงามอย่างนี้ต้นไม้สวยอย่างนี้อย่างนี้ดูเสร no. ็จแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเราไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาเห็นเขามีดอกไม้สวยเราก็ไปชื่นชมอะไรไม่ได้เขามีปราศาสตรอยู่เราไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้เขามีของกินเรากิน่ับเขาไม่ได้มันเหมือนแค่ฝันฝันไปเท่านั้นเองะ วันหนึ่งก็เกิดฉเฉลียวใจขึ้นมานะออกไปเห็นเทวดาเนี่ยก็สนุกดีอยู่หรอกถ้าไปเจอผีจะทำไงหนูภาคแต่เด็กๆเกนี้่กลัวผีมากเลยนะกระทั่งลูกแมวลูกแมวเล็กๆ่กนะในบ้านนะตายทั้งคืนนะพยายามจะไม่หลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันลูกกลัวขนาดนั้นนะนะแต่สุดท้ายก็หลับจนได้นะหลับไปด้วยความเคร่งเครียดนละเนี่ยปรากฏว่าพานาไปนะพอรู้ว่าเดี๋ยวออกไปเจอผีจะทไงกลัวผี ตั้งแต่นั้นน่ะการหายใจเนี่ยจะไม่ให้ขาดสติเลยหายใจพอใจจะเคลื่มพอจะไหลออกข้างนอกนี่ยรู้สึกไม่ให้ไปกลัวว่ามันไปเราไปเจอผีงั้นหายใจไปหายใจไปพอใจจะเคลื่อนไปรู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะพอหายใจไปอีกสักพักหนึ่งใจจะเคลื่อนออกไปไปเห็นโน่นเห็นนี่มันยัไหลออกไปพอเราเห็นใจที่ไหลเท่านั้ใจที่รู้ก็เกิดเลยงั้นเมื่อไร่รู้ทันจิตที่ไหลนะเมื่อนั้นจิตที่รู้จะเกิด จิตที่รู้นะะั่นแหละคือจิตที่เอาไว้เดินปัญญาแตจิตที่ไหลไปแล้วไปสว่างไปเห็นโน่นเห็นนี่มันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองไปเห็นแต่ของอื่นไปเห็นคนอื่นไปเห็นสิ่งอื่นมันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองงั้นเวลาเราทําสมาธิให้ใจมันไหลไหลลงไปพยายามฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้กับตัวเข้าชานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเนี้ยแต่อย่าใจลอยถ้าบอกว่าอย่าใจลอยก็ทํายาก ธรรมชาติใจชอบลอยเอาแค่ว่าอย่าลอยนานทําได้ไหมอย่าให้ใจลอยนานลอยนิดๆหน่อยๆพองามลอยนานน่าเกลียดบางคนโมโหนะโมโหทั้งสามวันแล้วเพิ่งรู้ว่าโมโหนี่นานไปนะถ้าโมโหปุ๊บรู้ว่าอ่ะเมื่อกี้โมโหแล้อย่างนี้ยังใช้ได้นะไม่ให้นานเนี้ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เรื่องสําคัญที่สุดเลย พวกที่ปฏิบัติธรรมนะแทบล้มแทบตายนั่งสมาธิกันหามรุ่งหามค่ําเดินจงกรมหามรุ้งหามค่ําไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาแล้วพ่หลวงพ่อล อ, ลองมาแล้วนะทําสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆนะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบพอจิตถอยออกจากสมาธินั้นะมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะมันคิดดอกเบี้ยเมื่อกี้สงบแนละ้วตอนนี้เอาดอกเปี้ยขึ้นแะลฟุ้งฟุ้งยิ่งกว่าเก่า เนื่นงถ้าพวกเราไปหัดไปไปสังเกนดูพวกที่ชอบนั่งสมาธิอารมณ์มักจะร้ายกว่าคนปกตินะบางทีร้ายกว่าคนธรรมดาซิเงแล้วถ้านั่งผิดนะบ้านะนั่งผิดบ้าเลยเพราะอะไรมันกดข่มตัวเองมากบังคับจนตัวเองเครียดไปหมดเลยเครียดจัดใจก็สติแตกเตัวเองเรามาฝึกสมาธิที่ไม่มีโทษไม่มีภัยนะฝึกสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัว วิธีฝึกนะเราทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยสังเกตที่ใจจะใช้พุทโธก็ได้นะแต่ไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบนะถ้าพุทโธแล้วมุ่งไปบังคับให้ใจสงบใจจะเครียดเราพุทโธเล่นๆพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดนะรู้ทันมันลืมพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือพุทโธพุทโธใจไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทัน หรือหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปพักเดียวหนีไปคิดแล้วหนีไปคิดแล้วอึรู้ทันว่าหนีไปคิดก็กลับมาหายใจต่อเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกบ่อยๆในที่สุดจิตจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะพอจิตจำสภาวะที่มันเคลื่อนได้นะต่อไปพอมันเคลื่อนปั๊บนะสติจะเกิดอัตโนมัติาะสติเนี่ยเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่น นี้ถ้าเราจำสภาวะที่จิตไหลไปเคลื่อนไปนะพอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะความเคลื่อนไปจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรจิตที่เคลื่อนเป็นจิตอกุศลจิตฟุ้งซ่านนั่นคือจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะความสุกฟ้างจะดับอัตโนมัติ เมื่อจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวของง่ายๆแค่นี้แม้เราจะมาฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับตัวเองนะพ ย, ยพยายามบังคับว่าห้ามเผลอห้ามเผลอนี่เครียดตายเลยเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะไม่เครียดนะทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องของยุบก็ได้จะบริกรรมสัมมาระหังน้ำมา้าพาทะนะจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่มีสาระหรอก จุดใหญ่ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์กรรมาฐานอะไรแล้วดนะีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสตินั้นทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์สั้นๆ น, น, นะน่ะนะนโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดได้ไหมบทนี้ถ้าไม่ได้ก็ผิดปกติแล้วเป็นชาวพูดนะ้าบอกบทนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะก็ประหลาดมากไปหน่อยนะ เอาบง่ายๆอย่างนี้ไม่ถึงขนาดต้องสวดชินบัญชร อ, อะไรกว่านะสวดแล้วยาวโมโหตัวเองสวดไปแล้วลืมตรงนั้นตนัว น, นี้เครียดหนักเข้าไปอีกนะเอาที่ง่ายๆครูบาจารย์หลพ่อแล้วท่านพุทโธตัวเดียวเองพุทโธก็คือสวดมนั่นแหละแต่สวดสั้นๆสั้นจุดจูเลยสวดแค่พุทโธพุทโธ ท, ทำโมสังโฆอะไรแค่นี้สวดแล้วรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่พุทโธหรือว่าสวดมนให้จิตสงบนะ แต่พุทโธหรือสวดมนต์ไปนโมตัสสะอะไราไปแล้วคอยรู้ทันจิตถ้าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันหนีไปคิดรู้ทันฝึกบ่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่หนีไปคิดช่วงนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะเหลวงพ่อจะใช้เวลานี้ฉัน น, น้ํานิดหน่อยระหว่างที่หลวงพ่อฉันน้ําเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะอ้าวลองดูคิดไหม โอคิดเจ้าเลยรู้สึกไหมบางคนรี่คิดพุทโธพุทโธุธเนี่ยไม่คิดแล้วก็คิดพุทโธไงนะจิตมีธรรมชาติคิดนะไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้แต่พอมันคิดไปแล้วมันลืมตัวเองนะต่อไปนี้นะพอจิตมันคิดให้รู้ทันจิตมันคิดให้รู้ทันอย่างเมื่อกี้พวกเรารู้สึกไหมจิตมันคิดนั่นแหละคือการเห็นสภาวะที่จิตคิดลองอีกครั้งหนึ่งห้ามคิด คิดไหมรู้ไหมว่าจิตคิดเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหมการที่จะรู้ทันว่าจิตคิดเนะ่ยเรื่องหมูหมูใครก็ทําได้เด็กเล็กๆ ก, ก, ก็ทําได้นะต่อไปนี้นะทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุโทโธไปพุโทโธทำโมสังโฆ ร, รือสวดอิตีปีโสอะไรก็ได้นะที่เราถนัดสั้นๆไม่ต้องยาวแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยพอมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเอง ม, มันจะรู้ได้เองเลยว่าเฮ้ยเผลออีกแล้วอย่าเป็นโมโหมันอีกละนะหนีไปบ่อยๆ อ, อะไรเงี้ยด่ามันซีกนะไม่ต้องว่ามันเราแค่เห็นว่ามันไหลไปคิดรู้บ่อยๆตรงนี้ตัวสําคัญนะอย่าทําเป็นเล่นไปนะถ้าเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถเห็นจิตที่ไหลไปคิดได้เนี่ยมันครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้มากมายมหาศาลเลยแล้วมันเหมาะกับคนรุ่นพวกเราเนี่ยพวกเราเข้าฌานไม่เป็น เราแค่คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละเพราะเราหลงคิดเก่งๆคิดทั้งวันแล้วแหละไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้เราจะได้อะไรจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลแลไปคิดเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะได้นะว่าการไหลไปคิดเป็นอย่างนี้พอไหลไปคิดปุ๊บมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ถ้ารู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะเรียกว่าเราได้สติอัตโนมัตินะเนียกของสําคัญในเครื่องมือสําคัญเลยที่จะใช้เจริญปัญญาคือสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนี่เราคอยหัดสังเกตสักอย่างเดียวเนี่ยจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เราไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยมันรู้เองเลยเรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วการที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนาราคาโทสายับหยาบเนี่ยครอบงาจิตใจเราไม่ได้ คนจะโกรธได้นะจิตต้องหลงออกไปนะคนจะรอบได้จิตต้องหลงออกไปอย่างเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนมาปาดหน้าเราเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่คนปาดหน้าเราใช่ไหมไอ้คันโน้นโน้นน้ น, น, น, น, นหนีไปโน่นแล้วอะไรเนี้ยจิตเราไปอยู่ที่คนอื่นนะแต่ถ้าจิตเราอยู่กับตัวเองนะราคะาโทสะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ไม่หลงไปราคะาโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะความหลงนั้นการที่เรามีสติวับวับวั บ, วบขึ้นมาจิตไม่หลงเนี่ย ราคาโทสะเกิดไม่ได้เมื่อราคาโทสะเกิดไม่ได้นะเราจะไม่ทำผิดศีลคนเราทำผิดศีลห้าได้เพราะว่าถูกราคาโทสะมันครอบงำเอานะหรือถูกโมหะครอบงำโมหะความลงผิดนะอย่างเช่นไอ้คนชนชาตินี้ไม่ดีค่ามันให้หมดเนี่ยถึงจะดีอย่างนี้เป็นพวกโมหะพวกไม่รู้จักผิดชอบช่วยดีสรุปก็คือคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตราคาโทสะโมหะครอบงำจิต แต่ถ้าเราเห็นจิตที่ไหลวับรู้สึกวับรู้สึกเนี่ยราคาโทสะโมหะจะครอบงาจิตไม่ได้มันไม่มีโอกาสจะเกิดเลยนะเมือไหลแล้วปุ๊บรู้ปั๊บไห ล, ลปุบลบป๊บรู้ปั๊บงันการที่เราฝึก ก, าากรรมฐานนะถ้าจิตไหลแล้วเรารู้ไหลเรารู้ได้สติได้ศีลแล้วการที่จิตไหลไ ป, ไปเรารู้สึกไหลไปเรารู้สึกเนี่ยการไหลจะดับอัตโนมัติเราจะได้สมาธิอัตโนมัตินะเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนันง่ายมากเลยไหมแค่จิตเคลื่อนแล้รู้เคลื่อนเรารู้นะ สติก็ได้ศีลก็ได้สมาธิก็ได้สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่โครงเคลงไม่คลอนแคลนไม่สัดสายไปมานะจิตที่มันสายตายสายมานั้นมันหลงจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาอานี้จะพาให้ดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะพวกเราลองนึกถึงผมของตัวเองเส้นผมลองเอาจิตใจไปไว้ที่ที่ผมของตัวเองลองนึกถึงผมให้จดจ่ออยู่ที่ผมนลย อลองย้ายมาไว้ที่หูข้างซ้ายย้ายความรู้สึกมาไว้ที่หูข้างซ้ายเราย้า ย, ายมาอยู่ที่จมูกย้ายไปไว้ที่มือมือขวาย้ายไปไว้ที่เท้าข้างซ้ายอาลองรู้สึกไปที่เท้าข้างซ้ายรู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปได้ เอาใหม่คราว น, นี้หายใจแรงๆยิ้มหวานๆหนึ่งนี้นเออเปลี่ยนความรู้สึกซะลองดูตรงนี้มีพระพุทธรูปองค์หนึง่งลองดูสิพระพุทธรูปองนี้ตรงยอดเป็นแบบไหนตรงยอดแหลมๆองพระเป็นแบบไหนสังเกตให้ดีเดี๋ยวจะได้ถามสังเกตไห้ใจเรามาอยู่ที่พระพุทธรูป ขณะที่ใจเราอยู่ที่พระพุทธารูปรู้สึกไหมว่ามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีใจก็ลืมใจไหมก็ธรรมชาติของจิตนะั้งรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเมื่อไปเห็นพระพุทธารูปนะนก็ลืมกายลืมใจตัวเองเอาละพอละอันนี้หลวงพ่อพาให้ดูนะว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้มันเคลื่อนไปในร่างกายเราก็ได้นะเคลื่อนออกไปข้างนอกก็ได้แต่ถ้ามันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนแล้วเร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ทันนะมันเคลื่อนแล้วเรารู้มันเคลื่อนแล้วเร า, เ ร, า, เ ร, า, เ ร, ารู้นะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้น ภาวะของสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตไม่เคลื่อนจิตจะตั้งอยู่โดยไม่เจตนาให้ตั้งถ้าตั้งอยู่โดยเจตนาให้ตั้งเนะี่ยใจจะเครียดเครีย ด, ยดไม่ใช่สมาธิที่ดีใจมัอนอึดอัดถ้าอึดอัดไม่ใช่สมาธินะใจมันสบายรู้เนื้อรูรร้ตัวสบายๆงั้นทุกวันไปฝึกเข้านะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้ จะดูท้องฟองยุคก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ดีนะได้ของดีในพุทธศาสนาทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเอง ร, รู้บ่อยๆนะสติที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดศีลนะที่ไม่เคยรักษาได้ก็จะรักษาได้สมาธิที่เคยทำยากกลายเป็นเรื่องง่ายจะให้จิตสงบจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยคลิปตาเดียวก็เข้าที่แล้วนะจิตไม่เคลื่อนไปไหน ค่อยๆฝึกไปหจากนั้นเราจะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายนะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราจะฝึกกันอย่างบทเรียนของพระพุทธเจ้าง่ายๆใช่ไหมมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วอาศัยสติสติเนี่ยเกิดจากการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนตัวนี้นะเล่นมันตัวเดียวก็พอละพอได้สติมาเนี่ยได้ทั้งศีลได้ทั้ง ส, สมาธินะแล้วมาเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญาทํำยังไงเราก็จะเห็นจิตเนี้ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เองเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดไม่ได้เจตนาจะคิดนะมันก็หนีไปคิดได้เองบางทีเจตนาจะพุโทโธมันพุโทโธอยู่ได้เดี๋ยวเดียวมันก็หนีไปแล้วมันไม่ยอมพุโทโธเนี่ยค่อยๆดูความจริงของจิตใจไปจะเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตา สั่งให้สงบมันก็ไม่สงบสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะบอกว่าอย่าเคลื่อนนะอย่าเคลื่อนนะก็แอบเคลื่อนไปแล้วแล้วจิตจะเคลื่อนเราไม่ได้สั่งให้เคลื่อนนะเคลื่อนได้เองนะไปค่อยๆสังเกตจิตใจของตัวเองนะมันจะเคลื่อนไปได้เองแล้วมันเคลื่อนไปได้หกช่องทางมันเคลื่อนไปดูมันไปทางตาอยเมื่อกี้มันเคลื่อนไปทางตา เราใช้ตาดูพระพุทธรูปเนี่ยหรืออย่างที่เราคอยรู้สึกเมื่อตอนนี้ส่งความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ในร่างกายอันนี้เป็นการเคลื่อนทางใจเคลื่อนด้วยใจใจเคลื่อนไปเคลื่อนไปนค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปจิตมันเคลื่อนได้หกช่องนะเคลื่อนไปทางตาคือเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูคือไวฟังอย่างเวลาเราได้ยินเพื่อนบ้านเรานะสามีพัญญาซุบซิบซุบซิบกันนะ ใครเคยเห็นแบบนั้นบ้างไหมคนข้างบ้านเราซุบซิบกันเราอยากรู้นะใจเราแหมทำใจนิ่งๆจะได้ฟังให้ชัดนะนะฝึกที่รสมนะเนี่ยฟังเขาคุยกันในบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะเนะี่ยตั้งใจขณะนั้นใจเราไหลไปทางหูนะไหลไปไหนไปหาเสียงนะในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะเนะนี่ยมันไหลได้หกช่องนะไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูก ไนะหลไปทางลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจทางกายนยทางร่างกายเวลายุงกัดเจ็บๆจ็บใจเราวิ่งไปตรงที่ยุงกัดเลยสังเกตให้ดีตอนยุงกัดใครเคยถูยุงกัดบ้างมีไห ม, มนะเวลายุงกัดเนี่ยใจเราวิ่งไปที่ยุงรู้สึกไหมหรือว่าวิ่งไปที่ตรงที่มันกัดก่อนวิ่งไปที่ไหนก่อนทีแรกยังไม่รู้ว่ายุงกัดใช่มมันเจ็บ มันจะวิ่งไปตรงที่ความรู้สึกเจ็บก่อนพอไปดูเจอยุงคราวนี้ไม่สนใจที่เจ็บแล้วใช่ไหมสนใจยุงอยู่ตัวนี้ชีวิตถึงคาดแล้ว <c oughs> ข้อหาอะไรลักทรัพย์นะแม่ลักทรัพย์นิดเดียวนะเนี่ยถึงคาดเลยะบางทีนะบางคนนะตบเลยเจอแล้วเจอยุงก็ตบอัตโนมัติเนักกุศลจิตมันทํางานตอบมือเคลื่อนไปตอนที่มือเคลื่อนไปเนี่ยสติะระลึกได้นะจิตเป็นกุศลแล้วนะตอนนั้นนะ่ะ แต่ว่ามันเบรกมือไม่ทันเคยมีไหมเพราะอะไรรูปเนี้ยมันถูกจิตดวงก่อนสั่งไว้มันยังรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนนะมันมันยังรับออเดอร์จิตใหม่ไม่ทันนะตกพวกลงไปเสียใจโถไม่น่าตกเลยนะ ชลอยจะมีกรรมกันมาแต่ปางก่อนชาติก่อนเธอคงตกชั้นมาอนะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดนะ่ะนั่นฟุ้งซ่านแหลกหลานเลยนะใส่ใจไหมจิตมันวิ่งไปวิ่งไปที่มือวิ่งไปที่ยุงวิ่งไปที่นอตที่นี่อันนี้ไปทางกายนะไปรู้สึกที่ร่างกายนะวิ่งไปทางใจนไหลไปคิดไหลไปคิดไหลไปคิดเนยะส่วนใหญ่ก็วิ่งทางใจไหลไปคิด ให้พวกเราเคอยรู้ไว้นะ่ะจิตไหลไปทางตาก็รู้จิตไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลได้หกช่องช่องที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจไหลพิคิดให้เกิดบ่อยที่สุดงั้นถ้าหกช่องเรารู้สึกเยองไปทํายากนะทํามันช่องเดียวนหะพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลพิคิดหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหนๆจะทํากรรมฐานทั้งทีนะทําให้ที่มันเกิดบ่อยๆอย่าไปทําของที่นานๆเกิดทีหนึ่งไม่ได้เรื่องหรอกนะ เราต้องเอาที่เกิดบ่อยๆจิตไหลไปคิดนั่นเกิดบ่อยที่สุดเพราะเราคอยรู้สึกไปจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นี่แหละดีที่สุดเลยนะโดเยเฉพาะไหลไปจิตถ้าอย่างนี้ต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้นีอยู่ชว่วคราวแล้วก็เป็นจิตผู้ที่ไหลไปนะจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงพอไหลไปพอเรารู้ทันนะก็กลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาอีกนั้นจิตเลยมี2แบบ จิตที่ไหลไปกับจิตที่รู้จิตที่ไหลแล้วจิตที่รู้ก็จะเห็นนะว่าจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็สั่งไว้ไม่ได้ควบคุมไว้ไม่ได้จิตที่ไหลก็ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาตรงนี้เรียกว่าการเฉลิญปัญญาถ้าเราดูมากเข้ามากเข้านะบางคนเจวันเจ็เดือนบางคนเจดปีอย่างมากนะใจมันจะปิ้งเล่น ม, มันเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลยเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะมันทํางานของมันได้เองมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันทําของมันเองนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอันนี้ความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเอานะอย่างบางคน อ่านธรรมะแล้วอ่านเรื่องสุญญตาไอ้นั่นก็สุญญตานี้ก็สุญญตาแล้วก็คิดแต่เรื่องสุญญตาไอนั้นคิดเอาระหว่างการคิดเอานี่ยเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดใช้ไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้ปัญญาที่จะล้างกิเลสได้เรียกว่าภาวนามายปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงนะมีสติระรลึกรู้ความจริงของกายของใ จ, งใจเรไืไปแล้วปันนึงปัญญามันเกิด มันจะปิ้งขึ้นมามันรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครเป็นทุกข์ก็ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะแล้วต่อไปพอปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์เมื่อเราเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อไม่มียึดถือในร่างกายนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเน่จิตจะไม่หวั่นไหวเลย มันก็จะเห็นความจริงนะจิตใจไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตใจเป็นอะไรจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อีกมันก็จะเห็นความจริงว่าจิตใจเป็นตัวทุกข์ต่อไปนี้นะจะสุขหรือจะทุกข์มันไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะเออความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะตกอยู่ใต้กองทุกข์ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของดีของไม่เศษอะไรอีกต่อไปจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์แต่ตัวนี้ดูยากที่สุดนะ ตัวนี้ดูยากที่สุดเลยตัวที่ดูง่ายง่ยขั้นต้นๆ อ, อ, อย่งพวกเราเนะ่ยคอยดูว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงดูอย่างนี้ก่อนดูตรงนี้จะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแต่ต่อไปเราเจริญสติเจริญปัญญารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไป ấy. ไม่จะเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตจะไม่ยึดกาย เมื่อจิตไม่ยึดกายมันไม่ยึดในตาในหูในจมูกในลิ้ในกายเมื่อตายังไม่ยึดมันก็ไม่ยึดรูปเมื่อหูมันไม่ยึดมันก็ไม่ยึดเสียงมันไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อมันไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายความยินดียินร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันยึดถือมันถึงได้เกิดกามราคะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส เกิปฏิค้าความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่ใจมันไม่ยุดถือมันไม่มียีดียร้ายอันนี้ขึ้นมานะไม่มีการมและปฏิค้างั้นท้าเมาื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกเนะี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาขานะกามราคะและปฏิค้าจะไม่เกิดขึ้นอีกและขั้นสุดท้ายนะั่นแหละที่มาเห็นมาตัวจิตนี้คือตัวทุกข์ขั้นสุดท้ายจะมาแตกหักกันลงที่จิตเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง ว่าจิตนี่คือตัวทุกข์มันจะเกิดสภาวะที่ปล่อยวางจิตขึ้นมาเมื่อปล่อยวางจิตดวงเดียวเนะี่ยก็ขันทั้งหมดจะร่วงตกหล่นลงไปพร้อมๆกันนะโลกธาตุทั้งหมดจะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราเพราะจิตไม่ไปหยิบฉวยไวแล้วนี่พน้นจากความเวียนว่ายแต่เกิดกันตรงทั้นเองเห็นไ้มว่ามันมาจากจุดตั้งต้นเล็กๆนิดเดียวนะถือสี่ห้าไว้ก่อนแล้วฝึกสติไปเรื่อย คอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปนี่ะต่อไปกำลังบุญบารมีเรามากขึ้นมากขึ้นนะสติที่ไม่เคยเกิดก็เกิดศีลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดนะที่เกิดแล้วก็รักษาง่ายสมาธิไม่เคยเกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ง่ายปัญญาไม่เคยเกิดก็เกิดพอปัญญาเกิดเต็มที่แล้วจิตจะหลุดพ้นพระเจ้าถึงสอนมว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงชเบื่อหน่าย เพรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจิตหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็ไม่ยึดถืออันนี้ไม่ได้เจตนาไม่ยึดถือนะจิตไม่ยึดเองงั้นอย่างบางคนบอกให้นอนก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดก็แก่ก็ยังยึดอยู่นะยึดในความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรมันก็ยึดจนได้แหละไม่พ้นทุกข์หรอกงั้นหัดเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆไปเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยๆไปอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละแต่ถ้าจะให้ดีนะ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแบ่งเวลาไว้สัก15นาที20นาทีไม่ต้องเยอะหรอกแล้วนะทำทุกวันปฏิบัติตอนนี้เป็นเวลาสําหรับการปฏิบัตินะ ท, ทํากรรมฐานของเราแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้เรื่อยๆนะทุกวันแบ่งสัก15นาทีก็พอแล้วเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตามมงเห็นรูปจิตเคลื่อนไปที่รูปรู้ทันปูได้ยินเสียงจิตเคลื่อนรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุก ข, ข์ขึ้นที่ใจ นะถ้ารู้สึกสุกทุกข์ที่ใจรู้ไม่ทันตอนที่เคลื่อนมันสุกทุกข์ขึ้นมาที่ใจแล้วให้รู้ว่าสุขทุกข์อย่างนี้ยังพอใช้ได้ถ้าสุขทุกข์ตรงนี้รู้ไม่ทันนะมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาแล้อย่างความสุขเกิดขึ้นในราคะก็จะแท้ความทุกข์เกิดขึ้นโทสะความโกรธก็จะแท้ค่อยสังเกตของตัวเองเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาตรงนี้ถ้ายัางเห็นกิเลสเกิดตรงนี้ก็ยังใช้ได้ยังไม่สายเกินไปถ้าตรงนี้ยังไม่เห็นอีกนะจิตจะมีความอยากนะ มีความอยากที่รุนแรงขึ้นมาถ้าความอยากเกิดเมื่อไร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้น่ะคราวนี้ห้ามไม่ทันแล้วใจอยากทีไรเขาเป็นทุกทุกทีเชื่อหรือไม่เชื่อลองไปสังเกตตัวเองดูทุกคราวที่อยากนะทุกทุกครั้งคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกคนทั่วไปคิดว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์นะแต่พวกเราหัดสังเกตจิตตนเองเถอะแค่อยากก็ทุกข์เราละแค่อยากจิตก็เครียดแล้วเวลาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเครียดไห เมื่อความทุกข์เกิดแล้วจะสมอยากไม่สมอยากก็ทุกข์เกิดแล้วละ่ะเงั้นปัญหาคือตัวอยากนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัวทุกข์ก็เกิดมานั้นแหละนะนีนคคน่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ของจริงนะในวันหนึ่งใจเราพ้นจากกิเลสนะพ้นจากตัญหาสิ้นเฉิงเพราะมีปัญญารู้ความจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะทุกสิ่งทุกอย่างในรูปประธรรมนามธรรมในกายในใจคือตัวทุกข์ปัญหาคือความอยากจะไม่เกิด ความอยากทั้งหลายแหล่ที่มมีตั้งเยอะแยะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพน้นทุกข์เท่านี้เองเมื่อมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วความอยากไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดนะค่อยๆฝึกไปตรงที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เนี่ยนะล้างอาวิชชาลงไปได้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ตัวแรกคือไม่รู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ทุกข์แจม่มแจ้งนะมันจะละสมูทยัยละตันหาอัตโนมัตินะ เป็นอญญริยสัจตัวที่สองภาวะที่สิ้นปัญหานะัคืออญญริยสัจตัวที่สามคือตัวนิโรดนะน่ะคือนิพพานนะตรงที่มันเข้าไปเข้าไปเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะอญญริยมรรคก็เกิดตรงนั้นนะนะรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรดเกิด อ, อญญริยมรรคเกิดในขณะดเดียวกันนะค่อยๆฝึกนะนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าฟังหลวงพ่อครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไม่แปลกฟังหลวงพ่อ ไม่รู้เรื่องนะไปฟัง cd มีให้เยอะแยะเลยนะมีแจกนะมีที่จุดแจซดีหลวงพ่อนี่มีเยอะนะัดอีกหน่อยคงมีตามปั๊มน้ำมันบ้างหรอกนะมีแจกทั่วๆไปนะถ้าไม่มีที่ไปรับนะในอินเทอร์เน็ตมีไปดาวน์โหลดเอาไปฟังเอาอย่าดูแต่รูปโปะนะไปฟังซ d ฟัง y YouTube หลวงพ่อบ้างแล้วในเวลานะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนชีวิตจิตใจจะเปลี่ยน แล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์กับเราแค่ไหนนะพระธรรมมีประโยชน์ยังไงพระสงฆ์มีประโยชน์ยังไงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระรยาสงฆ์มีจริงนะความดับสนิทแห่งทุกข์เนี่ยเราเห็นร่องรอยที่จะไปสู่มันนะไปฝึกนะฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไปฟัง y ยูทูบเอาดูบ่อยๆไม่โง่อจนขนาดว่าฟังหลายๆทีแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องอดทนนิดนึงนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีก เดือนหนึ่งเดือนสามเดือนใช้เวลาเท่านี้เองไม่ได้มากอะไรหรอกเดี๋ยวเราเข้าใจเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะง่ายไม่เคยมีสติจะมีสติไม่เคยรักษาศีลได้จะรักษาได้ไม่เคยมีสมาธิจะ ม, มีสมาธิไม่เคยเห็นความจริงของกายของใจก็จะได้เห็นถ้าบารมีพอก็จะเห็นการที่จิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจนะ้เห็นตรงนั้นนะ่ะเราก็เป็นพระแท้ๆนะนะละนะอัลละพอสมควรแก่เวลานะ น้ำสศ ก, การหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูไปติด <c oughs> ติดไปล็อกล็อกตัวรู้ไวค้ค่ะหนูดูออกไหมหนูดูไม่ออกครับดูไม่ออกก็ยังไม่หาย <c oughs> ถ้าดูออกก็หายหนูนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ยังไม่เคยภาวนาหนูรู้สึกจิตใจตอนนั้นกับตอนเนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตใจของเราตอนเด็กๆอ่ะ เ, เป็นธรรมชาติเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวส <Birthday. S 1> so ุขเดี you? You. Life, ๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพอเรามาหัดกรรมฐานแล้วใจเรานิ่งๆิ่งเฉยเยตลอดเวลาเลยใจเราสูญเสียความเป็นธรรมดาไปถ้าเรามองเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมาความนิ่งๆ่งเนี่ยใจเราจะกลับไปสู่ภาวะของความเป็นเด็กไหมตรงนั้นดีที่สุดเลยนะจิตของเด็กนีไม่มีมันยาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้จิตอย่างนั้นดี แต่เด็กไม่ดีตรงไหนเด็กไม่มีสติเท่านั้นเองของเรามีสติเราฝึกสติแต่เราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาตินะเรามีสติเรามีเครื่องมือแล้วแต่เราจะเอาไปเรียนรู้อะไรเราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาตนะิเราเรียนรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจแล้วนะตัวตั ว, วัดนี่มันวัดจากอะไรคะหลวงพ่อคือเมื่อก่อนเนี่ยเพ่งเยอะ แล้วมันอึนอัดคือดูจากว่ามันอนได้อัดแต่ตัวนี้หนุมไม่รู้สึกว่ามันอึนอัดแบบดูชินแล้วไงมันเหมือนใช่ที่ผ่านมานะทุกวันเราถูกเขาจัไปเขียนวันหนึ่งสามสิบครั้งะเราถูกเขียนทุกวันเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรวันหนึ่งเราถูกเขียนยี่สิบครั้งะรู้สึกไม่สบายขึ้นว่าตรงนี้แหละอิสระแล้วต่อไปมันลดลงไปอีกนะถูกเขรียนครั้งเดียวแล้ววันหนึ่งไปถึงจุดที่ไม่เคยโดนเขียน ไม่ถูกเครียดเราจะรู้เลยเครียดครั้งเดียวก็เครียดละเ<อ>นี่ยเราค่อยๆสังเกตใจจะค่อยๆคลายออกหนูรู้สึกไหมว่าหนูเพ่งอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เท่าแต่ก่อนมันเบากว่ามาก่อนรู้สึกไหมก็คือมันที่ที่บอกว่ามันผ่านมาได้เพราะว่าตอนนั้นมันเพ่งแหลงเรามารู้สึกแต่ตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนไม่ได้เพ่งแต่คือมันก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเราดูไม่ออกมันไม่มีตัวเปรียบเทีย<ม>บอะไม่เป็นไรนะค่อยใจเย็นๆมาถูกทางแล้วนะ หนูรู้สึ ก, สกไหมตอนที่หนูยิ้มเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละภาวะที่แท้จริงรู้สึกไหมใจมันไหวขึ้นมาใจมันยิ้มขึ้นมาได้นะดูอย่างนั้นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเราไม่ได้เพ่งไวนะอย่าตรงเนี้ยเราเพ่งละมันจะนิ่งๆเพราะั้นปล่อยมันนะอย่างนี้ก็เพ่งไหขลวงพ่อเพง่งไม่ต้องดีก็ได้นะซนๆหน่อย ตัวจริงซนนะเ น, นี่ยปล่อยอย่างนี้นะค่อยๆปล่อยไปแล้วเราเห็นจิตมันทำงานได้ไเดี๋ยวไม่แค่จิตมันยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาได้เองใช่เนี่ยเราเห็นมันทำงานแม้มันยิ้มได้เองแล้วมันก็หุกไปเองเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงเนีย่ยเดี๋ยวนั้นแหละเรียกว่าการปฏิบัติกลุ้มใจรู้สึกไหมกลัวทำไม่ไดม้มันมันอึดอัด มายุว่าสองเดือนมันดูมามันก็ยังไม่ได้ไ hey, ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วนะมันไม่ดีเต็มร้อยในทันทีหรอกเพราะเราติดเพ่งมาหลายปีแล้วนะมันคลายๆออกมันจิตมันไหวตัวขึ้นมาได้เนี่ยใช้ได้แล้วนะต่อไปไม่ก็ดีกระดาได้นะตอนออที่หนูติดเพ่งเยอะๆคะ่ะหลวงพ่อหนูใช้วิธีแบบว่าไปหลงโลกไปเลย แล้วแล้วมันเหมือนกับพอกลับมาทําอีกทีหนึ่งมันจะหายเออแต่คราวนี้ทํามันไม่หายครัไม่มันเจตนาหลงมันแกล้งหลงกะจะหลงหลงไปสัหน่อยมันไม่หลงจริงสิมันหลงหลงแล้วแอบชำเลืองไหนหลงยังหลงอย่างเนี้ยไม่หลงหลงกลายเป็ยังเพ่งอยู่มันเหมือนเพ่งบางๆแต่เพ่งอยู่ใช่ใช่นั่นแหละใช่ถูกมันเพ่งอยู่บางๆแล้วเรารู้แต่มันก็ไม่หายนอย่าอยากให้หายนะ ทุกอย่างมีเหตุมันเคยชินจะเพ่งมันต้องเพ่งไปอีกช่วงนึ่งนะแล้วต้องใช้นี่นะเดี๋ยวมันก็หายเองเหรใช่เราอย่าไปเพ่งต่อแล้วนั่นเดี๋ยวมันหายซนๆไว้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อมาเทศแถวเนี้ยค่ะหนูหนูก็ไปฟังแล้ววันนั้นรู้สึกว่าใจตอนระหว่างฟังมันหวนกระใจมันเบิกมันเบแล้วมีความสุขลดพล กลับบ้านไปนิจใจมันก็จะเบาๆอยู่ทั้งวันไอ้เบาๆอย่างนั้นก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะไม่เป็นไรจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นการที่จิตเราเปลี่ยนแปลงได้นะใช้ได้นะมันเบารู้สึกไหมแล้วก็ค่อยๆหายไปใช่แต่แต่มันเบาอยู่นานมากต่ไปก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่ไม่มีไม่ใช่ไม่ถูกเป็นอย่างนั้นก็ได้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของเข้าไปเรื่อยๆนะ คำว่าถูกคำว่าผิดไม่มีหรอกคำว่าดีคำว่าชั่วไม่มีในกรรมฐานะในวิปัสสนาเนี่ยมีแต่ว่ามันจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราเพ่งมันทําให้เราไม่เห็นความจริงมันนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วที่หนูพ่อว่าเวลาเราจะเอาจิตที่ปฏิบัติมันต้องเป็นจิตแบบธรรมดาธรรมดานี่หนูก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเบาๆนั้นนะคือมันมันมันคือธรรมดาหนูรู้ตรงปัจจุบันไปเลยนะถ้าในภาวะอันนั้นนะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ด้วยอย่างนี้เลย นีอ่ะต่บไปดีขึ้นเยอะแล้วล่ะการแบ่งของหลวคุ้ต้องทํานะ่แล้วไม่ทํำดูก็ไม่ออกก็ไม่ต้องดูดูไมออกรู้ว่าดูไม่ออกถ้ารู้ว่าดูไม่ออกนั่นดูออกแล้วนะอย่างบาคนบอโอ้ยจิตมืดจังจิตมืดเนี่ยดูไม่ออกเลยอ้าวดูไม่ออกเรารู้ได้ไงว่าจิตมืดงั้นมืดก็ก็ดูออกนะเมื่อหมุนนี้ไม่ดีเลยจิตไม่ดีเลยดูไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่ความฟุ้งซ่านอารู้ได้ไงว่าฟุ้งซ่าน ถ้ารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็ดูออกแล้วะมันง่ายขนาดนั้นนะมง่ายจนเรานึกไม่ถึงอ่ะให้คนเื่นบ้างขออีกหนึ่งอั น, นอคือว่าก็ครั้งเดียวกันนั้นที่สองเดือนนั้นนะคะได้ถามหลวงพ่อว่าอยากจะฝึกให้มันเข้าฌาแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะฝึกมันก็ฝึกได้แต่ว่าให้ไปดูแสงอะคะ่ะที่นี้โน้ตพักฝึกแล้วมันให้ไปดูแสงจิตมันเห็นแสงนั่นๆัน่น<ๆ>สำหรเอาให้พักผ่อน โน้ น, นะน้นึกว่าถ้าไอตัวรู้นี่มันชอบมันลอกโน้นเลยคิดว่างั้นไปฝึกให้มันเข้าชานแล้วเป็นตัวรู้แบบแบบที่เข้าชานแล้วมีตัวรู้อย่างนั้นถ้าเข้าชานแล้วมีตัวรู้ได้ดีที่สุดนะชานมีสองฌานนะชา น, นะชานหนึ่งเนี่ยจิตไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเอาไว้ทำสมถะอย่างเดียวถ้าชานหนึ่งมีจิตเป็นผู้รู้อยู่นะแล้วรวมลงที่ผู้รู้เลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน ไว้ทำสมถะก็ได้ทำมิปัสสนาก็ได้ค่ะคุณจะท่านหลวงพ่อว่าถ้าไปฝึกอันนั้นเนี่ยฝึกแล้วกลายเป็นว่า ม, มั น, นไม่ดีตอนนี้อย่าเพิ่งไปฝึกเชียอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ไปฝึกทีหลังตอนนี้ฝึกให้มันไม่เพ่งก่อนเอาทีละอย่างนะเรียนทีละหลายอย่างเดี๋ยวมั่วรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอืมส่งกันบ้านในรอบเจ็ดเดือนค่ะ เดี๋ยวก่อนเอาย่อๆนะคนแรกนี้ส่งยาวๆ <c oughs> คะ่ะส่งกันบ้านในรอบเจ็ดเดือนนะคะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูลมหายใจคะ่ะพอหนูไปดูหนูก็เห็นโรคโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอออย่างนั้นที่ว่าดูเป็น <c oughs> เห็นสภาวะความเบื่อเห็นว่าความสุขไม่มีจริงทุกคน แต่หนูเห็นไหมว่าจิตถูกอารมณ์ครอบงำอยู่่เราไปเห็นนะแล้วโทสะครอบจิตน ะ, ใ, ะให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะอีชั้นหนึ่งรู้ลงไปแล้วมันก็จะแยกออกไปแล้วใจเราก็เป็นกลางถ้าคราวนี้เรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางก็ใช้ได้ละทุกสภาวะที่พูดเมื่อกี้หนูเห็นว่าใจมันไม่เป็นกลางานั่นแหละไปดูตรง น, นั้นนะมันจะไปยึด เห็นว่าพอผัสสะเกิดขึ้นมันจะมีตัวอะไรบางอย่างไปยึดความสุขควา ม, มทุกข์ความชอบควา ม, มไม่ชอบมันเป็นเหมือนอยางเหนียวๆ เ, เข้าไปถูกแล้วแต่ทุกสภาวะเลยที่หนูไม่ชอบหรือว่าที่มีความสุขมันก็จะหายไปออือ่ากลาบขอกันบ้านหลเราชอบค่ะไปดูอีกนะแล้วให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางค่ะไม่ต้องทําใจให้เป็นกลางนะค่ะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางให้รู้ที่ผิดนะ่ะ แล้วเขาถูกเองถ้าจงใจทำที่ถูกก็ทำไม่ถูกหรอกค่ ะ, อ, ะอีกข้อหนึ่งค่ะหลวงพ่ อ, อคือว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่แน่ใจว่าไปติดสภาวะอะไรมันจะมีความรู้สึกร้อนๆ อ, อยู่กลางอกแล้วหนูจะเห็นว่าวันไหนที่มีอาการหรือสภาวะอย่างนี้จะเห็นความหมดเงบความมีโทสะหรืออะไรทั้งวันเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ติดหรอกกิเลสนะมันก็ร้อนสิ คเคยได้ยินไหมราคะกินาไฟคือราคะโทสักคินาไฟคือโทสกะกราบขอพระพุคธธรรมนวัตกรรมพระจารย์ครับผมนี่เป็นการส่งการบ้ครั้งแรกครับอวางซีดีประจารย์มาเ ก, กปีแล้ว อ, อือต่อเอาสรุปเลยนะครับตัวนี้สภาวะที่คือไม่ได้ทุกครั้งนะครับอาจารย์เอหิน รูปเวทนาทํางานร่วมกันจิตจิตเป็นคนดูยกตัวอย่างสักอย่างนะครับมันเดินโดนกลมแล้วเมื่อยเรื่องเห็นว่าเสิ่งที่เมื่อยไม่ใช่ใจแต่คือกายที่เมื่อยแล้วสองอย่างนี้มันทํางานร่วมกันครับแต่ว่าพอดูดู้ไปรูมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันอีกไม่ได้เป็นครับกายกับความเมื่อยก็คนละอันรับมันวคนละขันน่ะ ครับถูกไหมแล้วก็บางครั้งสวดมนต์ตอนสวดมนต์นึกถึงคําคําสวด น, นะครับอาจารย์เห็นว่ามันไม่ได้ออกมาจากจิตมันออกมาจากใจแล้วครับแล้วก็ทีนี้ก็ฟังซีดีพระอาจารย์มาถึงจุดที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าถึงขั้นแยกธาตเ ย, ก, เยกขันได้แล้วก็ต้องเหมือนจะว่าเออ่ขียนให้เป็นสาวะของไตรลักทีนี้ที่ผ่านมาสองสามเดือนหลังจากที่เห mm hmm. ็นที่ผมพูดให้พระอาจารย์ฟังนะครับมันจะไป mm hmm. คิดอย่างเดียวเลยเหมือน คิดว่าคิดเป็นไตรลักษณ์ิดได้เป็นไรักณมันไม่ยอมหินสักทีให้ให้รู้ว่าฟงซ่านครับแล้วเขาไปตรงๆเลยใช่ครับรู้สึกว่าฟงซ่านหนักไปเลยที่สภาว่าฟงซ่านครับผมที่จริงไตรลักษณ์มันแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปหามืนนะรู้สึกไหมขันแต่ละขันมันแยกออกจากกันใช่ครับนขันที่แยกออกจะเรียกคณะนะขณะคอร์สคังนอนหนูนะคณะมันแตกครับเมื่อคณะแตกเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวที่ปิดบางอนัตตาอยู่ ถ้ามันมารวมกันนะไม่เห็นอนัตตาเพราแตกออกก็เห็นนะครับผมรู้สึกไหมว่าร่างกายไม่ใช่เรารู้สึกครับเออนั่นแหละเห็นกลายเป็นอนัตตาแล้วเห็นไหมเวทนามาเองไปเองไม่ได้บังคับมันบังคับไม่ได้นั่นแหะเห็นอนัตตาบนี่ยแหละเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์มันเห็นอยู่แล้วเแต่ว่ามันไม่แวนป้ายว่าไตรลักษณ์ทั้งนั้นเองครับผมเพราะมันไม่มีคําพูดอือครับไปทําอีกอ๋อครับผมครับขอบพระคุณครับหน้าที่ จุดอ่อนนะคิดเดยอะไปคิดเดยวไปอ่ะต่อไปนิมมัสการครับหลวงพ่ออหลวงพ่อบอกให้พยายามรู้ตัวเวลาสวดมนต์นะครับแต่บางทีพอสวดยาวๆอาใจมไปจดจ้องกับบทสวดอย่างนี้ควรกลับมารู้ตัวหรืออให้รู้ทันว่าใจไปจดจ้องกับบทสวดสวดมนต์แล้วก็รู้ทันใจไงใจไปอยู่ที่บทสวดก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้อย่างนั้นใช้ได้แล้วนะโอ้ครับ อีกข้อหนึ่งบางทีเครียดหรือมีอารมณ์ร้อนโมโหเวลาคนพูดมากๆเนี้จะแก้งไงครับห้ามไม่ได้นะดูไปนะมันเกิดเองดับเองมันไม่ใช่เราหรอกความโมโหแล้วที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างครับดีไหมล่ะรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมสึกครับนั่นแหละมันรู้ได้ตัวเองครับขอบคุณครับ น, นมัสการครับหลวงพ่อครับเอตอนนี้ก็คือปฏิบัติอยู่คือถือศีลห้านะครับแล้วก็ในรูปแบบก็คือเดินชมกลมประมาณสิบถึงสิบห้นานาทีเช้าเย็นยส่วนในชีวิตประจำวันก็ใช้ภาวนาพุโทโธผมพุโทโธหนึ่งในพุโทโธพันนะพุโทโธเราเห็นจิตไหมแล้วก็แล้วก็จิตไหลไปแล้วรู้อย่างเงี้ยครับออย่างนั้นพุโทโธเป็นครับก็เลยไม่ทราบว่าตอนนี้มันยังเดินเดินปัญญาไปแล้วหรือ ย, อยังหลวงพ่อครับ ผมมีความสึกเหมือนมันเป็นสมถะเนบอกไม่ถูกมันเป็นอะไรนะมันเหมือนเป็นสมถะแต่ว่าใช่ทรงหลังสุดหลวงพ่อบอกผมว่าจิตมันมีพลังนะครับพลังนี้นี่หมาถึงว่า ม, มีกําลั ง, งมีกําลังนะต่อไปนี้เราจะเดินตัญญาครับเดินปัญญาด้วยการดูกายนะผมคนเล็บฝันหนังเนื้อเองจะดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราทีแร ก, ก็คิดพิจารณาก่อนกนะอต่อไปจิตมันไม่ต้องคิด ม, มันไปเห็นเอง จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายรู้สึกไหมมาเองไปเองเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปค่อยๆสอนมันะนะเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะ ต, ตัวพุทโธ พุโทโธก็พุทธพุโทโธไปพุทโธแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ได้สมาธินะฮะได้สมาธิแล้วถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆนะแล้วก็กระตุ้นให้เดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณาแยกแยกไปก็แยกมะค่อยๆหัดแยกนะจนจิตมันเดินปัญญาเองแล้วคราวนี้ไม่คิดละให้ดูอย่างที่มันเป็นคิดนําไปได้เลยใช่ไหมตอนนี้ต้องคิดนําก่อน ร, ระหว่างที่คิดนําเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนานะมีการคิดนําไปก่อนกระตุ้นให้จิตมันหัดเดินปัญญาอย่างเวลาผมเดินจงกรมผมก็จะดูว่าร่างกายผมเดินเหมือนผมดูเดิ น, ออดนคนอื่นเดินเงี้ยใช่ดูเหมือนดูคนอื่นดูเหมือนคนอื่น ค, ค่อยๆสอนมันไปแล้วพ<ป>อมันไหลไปแล้วก็รู้อย่างเงี้ยครับอขอบคุณครับหลวงพ่อของคุณจิตมันติดนิ่งๆมันเลยไม่ค่อยเดินปัญญานะดังั้นเราใช้การพิจารณามาช่วย ก่ะค่ะผพ่อฟังแผ่นซีดีของหลวงพ่อไม่เคยเจอเลยนะคะฟังมันมาสองเดือนกว่าค่ะที่จะมาเจอก็ถูกเจริญค่ะเจอแผ่นซีดีก็ฟังแล้วถูกจริกของทุกทีมากเลย่ะก็เลยกลัมาฟังที่นี่อยากจะทราบว่าแล้วรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนค่ะใช่ค่ะนั่นหันรู้ไปแล้วก็ สวดมนต์เช้าเย็นตลอดแล้วก็ฟังของหลวงพ่อตลอดเดี๋ยวนี้มไม่ฟังแต่เองเลยเออดี๋ยวแล้วลนะ่ะ <laughs> แล้วทํำถูกไหมคะในรูที่รูปทําอยู่เราวัดด้วยตัวเองได้ไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเราเห็นไหมชีวิตใจิตใจเราดีขึ้นดีขึ้นันั่นแหละฝึกสบสบายนั่นแหละฝึ ก, แ, กแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มีความสุขนะความสุขเป็นผลปลอยได้เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะแล้วความสุขเป็นของแถม เรื่องของหนูทำถูกต้องไหมคะถูกจริงเหรอคะจริงสิใจ <laughs> จังเลยที่หลวงพ่อพูดจะมีดูใจมากๆเลยคะ่ะจุดออนมีนิดเดียวนะคือฟุงงซ่านง่ายใชนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเราฟุงงซ่านง่ายเราก็ต้องมีเครื่องอยู่เช่นพุดโธพุดโธเล่นเล่นไปสวดมนต์เล่นเล่นไปแล้วคอยรู้ทันใจเวลามันหนีไปนะไม่งั้นจะฟุ้งไปนานฟุ้งพอพอแต่เราเดินเดินอย่างนี้แล้วก็จองกรมก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วเสร็จแล้วก็ เอลอก็กลับมาใหม่รอบหนึงค่ะให้เผลอเรารู้นะเราไม่ได้ฝึกไม่ให้เผลอนะไม่ใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาห้ามเผลอถ้าห้ามเผลอใช้ไม่ได้นะเผลอบ่อยดีเผอบ่อยเลยค่ะอย่าให้เผลอนานถ้าเผลอบ่อยใช้ได้เผอบ่อยอ่าดีแล้วหนูแนวของหนูเป็นจิตหรือว่าเป็นกายคะจิตที่เราช่างคิดจะตายไป จิตมันฟุ้งอ่ะถ้าจะดูกายต้องทําสมาธิอย่างของคนนี้ครับถ้าจิตมีสมาธิแล้วส่งตัวอยู่างนี้นะก็มาพิจารณากายก่อนแล้วต่อไปจิตมันเดินปัญญามันดูกายเองโดยไม่ต้องพิจารณาถ้าจิตเราฟุ้งอย่างนี้เราก็ดูเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายด้วย่างนั้นไปโอ้คนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนี่แหละที่กําลังพูดนั่นแหละ ะะอืมรู้สึกไหมว่ากากปัจจยโค่ล่านกันใช่ค่ะนั่นแหละตอนนี้ฝึกดูจิตก็ดูกายสับไปสับมาอตอนนี้เวลาดูกายอย่างเช่นสมมุติขาเนี่ยเป็นตะคิวก็จะจะรู้ว่าตัวตะคิวเนี่ยคือลูกเกดความเจ็บก็คือนามก็จะแยกอย่างนี้ไปแต่ น, นี้เวลาดูจิตบางทีจิตคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมา แล้วจิตตัวรู้มาบอกว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่แล้วพอไปถึงก็คือไม่อยู่จริงออย่างนั้นไม่ใช่จิตตัวรู้นะแะออต่จะมาถามที่ไปเองไอนีมันรู้ได้นะจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้มันเป็นธรรมชาติรู้นะบางทีรู้อดีตรู้อนาคตเลยแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราฝึกะะวัตถุประสงค์จิตผู้รู้ก็คือรู้สึกตัว เรารู้สึกตัวได้แล้วก็เห็นร่างกายเปนทํางานเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปความดีความชั่วผ่านมาผ่านไปเราต้องการเห็นตรงนี้นะไม่ใช่ต้องการจิตชนิดที่รู้ล่วงหน้าอะไย่างนี้ยจะเป็นรู้ล่วงหน้าบ่อยเหรอคะเออนั่นใจมันไม่ต้องแก้ยังไงไม่ต้องแก้หรอกอย่าไปเชื่อมันอ๋อถ้า <laughs> ยิ่ง <laughs> ชอบนำ้ำยิ่งรู้นะเออถ้ารู้มากๆก็ไปเป็นหมอดูห <laughs> าเงินเลยแล้ <laughs> ที่ฝึกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ถูกต้องไหมคะมันยังฟุ้งอยู่แล้วพี่แก้ตัวฟุ้งไหะบริกรรมไปพุทโธพุทโธเล่นๆไปพุทโธแล้วรู้ทันใจหนีไปฟุ้งซ่านรู้ทันใจหนีไปฟุ้งซ่านรู้ทันของคุณน่ะใจมันชอบออกไปรู้ข้างนอกใช่ค่ะนันแหละมันจะชอบรู้ชอบเห็นออกไปนะงั้นพยายามกลับมาอยู่ที่ร่างกายที่ลมหายใจที่พุทโธอะไรอยู่เนี้ยคือให้เราดึงกลับมาที่ดึงกลับมาที่ใจของเรา ให้มันไหลออกไปเพราะงั้นจิตมันจะออกรู้ออกเห็นข้างนอกเรื่อยๆไปมันซนก็มีท่านี้ใช่ไหมคะพี่ว่าต้องกลับไปใช่ต้องใจให้กลับบ้านนะเพราะงั้นใจม<ๆ>ันออกไปรู้ของข้างนอกอ<ๆ>เดี๋ยวก็เห็นผีเห็นอะไรต่ อ, อเห็นนรกสวรรค์เห็นนรกดีเห็นนรกขดเห็นทุ ก, ก, กสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นไม่เห็นกายเห็นใจอก็ต้องกลืกลับมาดูที่กลับมาที่ร่างกายกลับมาที่ร่างกายมาเห็นร่างกายหายใจอะไร แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ า, าหลังจากที่เราดูอย่างนี้ไปเนี่ยคือจิตเราจะมีกําลังขึ้นดูสิถ้าฟุ้งซ่านไม่มีกําลังนะจิตใต้สำนึกมันทํางานไป อ, ออกรู้ออกเห็นนะมันแม่นอยู่ช่วงเดียวลนะ่ะถ้าจากนั้นจะไม่แม่นนล้วจะหลอกแต่ว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมดีกว่าไม่ทำํำ <laughs> <laughs> พุดโธไปนะพุโทโธหายใจเข้าพูุให้ยใจออกโธ ถ้าใจหนีไปเรารู้ฝึกอย่างนี้เลยเอาต่อไปจากนัสการหลวงพ่อคผมมาส่งการบ้านครั้งแรกครับผมฟังซีรีหลวงพ่อมานานมากแล้วน่าจะตั้งแต่มสีตอนนี้ก็จบปตีแล้วคระคุจบมสี่บเองมาตลอดครับไม่เคยใช่ได้หรอดูออกหรเปล่าล่ะก็รู้สึกว่าช่วงแรกอ่ะจะเห็นการพัฒนาอย่างมาก ช่วงแรกมันเห็นการพันา น, นะเพราะมันไม่เคยมีสติก็มีสตินะใจไม่เคยตั้งมั่นมันก็ตั้งใจไม่เคยแยกขันมันก็แยกต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่หวือหวาอย่างนั้นนะมันจะเห็นในรูปธรรมนามาทำทํางานไปเรื่อยๆนะมันไม่โดดเด่นวู้บว่าเหมือนช่วงแรกๆหรอกช่วงแรกๆมันไม่เคยเจอแค่นี่เจอจนชินแล้วที่ทำนะถูกแล้วมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ อย่าใจร้อนนะอย่ารีบเอาเร็วๆนะดูสบายๆไปดูกลเหมือนอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ใจแน่นไปนะอย่างนี้ดึงเข้ามารู้สบายๆ ย, ยิ้มหวานก่อนยิ้มให้ใจมันยิ้มนะไม่ยิ้มแต่หน้านะเออตั้งอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เลยพอดีแต่ไม่รักษาไว้นะที่ถูกก็ไม่รักษานะเออแต่ว่าถ้ามันผิดที่มันไหลไปแล้ว ร, รู้ทันไหลแล้รู้ทัน แต่ตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างเนี้ยใช้ได้ที่ฝึกอยู่นะหลวพ่มีการบ้านอะไร น, นหมไปทำไปทถูกแล้วมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่พอยอดูซ้ำซ้ำ้ำไปงั้นจนมันพอเมื่อถ้ามันพอเมื่อไหรอ่อริยมรรคก็เกิดแต่หลวงพ่อเรียนมาแต่มสีนะ่ใช้ได้นะมสี่หลวกพ่อยังทำวิปัสสนาไม่เป็นเลย กลางในมรดการหลวงพ่อค่ะเอ ร, ร, รู้สึกว่าไมื่อที้สึกมาเป็นยังไงแล้วก็ใจรู้สึกว่าใจมันสั่นไหวใจมันอะไรนะเออใจมันสั่นไหวอะค่ะใจมันไหวค่ ะ, ะ <c oughs> ก็ปกติอะมันก็ต้องไหวนะเดี๋้วร้อนเนี่ยเราต้องดูร้อนไปเรื่อยๆไม่ใช่ถ้าร้อนเราดูที่ใจใจชอบหรือใจไม่ชอบนะห <c oughs> รือว่าใจสงสัย อ๊ะทำไมมันร้อนเนี่ยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่มัวแต่ดูร้อนร้อนเย็นเย็นน ะ, ะ <laughs> ไม่ว่าจิตจะไปรู้อะไรไม่สําคัญแต่เมื่อจิตไปรู้อะไรแล้วนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันหรือจิตสงสัยให้รู้ทันนะรู้ทันจิตไปอีกทีหนึ่งอง่างเรียกว่าเราดูจิตใจตนเองถ้าดูแต่สภาวะดูที่ร้อนร้อนไม่ใช่จิต เริ่ร้อนตัวจิตพอร้อนแล้วลดระดับกายก็ร้อนถัดมานี้หนก็เราไปดูกายด้วยใช่ไหมใช่ให้เรารู้ทันใจไปเลยนะอย่างน้อยก็เห็นในะตั้งกายที่ร้อนอยู่ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะหรือเราใจสงสัยว่าทําไมร้อนรู้ว่าสงสัยอย่างนี้ก็ใช้ได้เออตอนที่อย่างเรารู้สึกกายทั้งกายอย่างเนี้ยค่ะจะจะรู้สึกอยู่ตลอดก็ดีแล้วล่ะ แต่ทีนี้เป็นการเพ่งหรือเปล่าคะถ้าเพ่งหรือเปล่าดูตรงเนี้ยถ้าใจมันทื่อๆนะก็เพ่งอยู่มีนิดหน่อยมีใช่ไหมคะคือเวลาตอนฝึกคือฝึกในรูปแบบทุกวันแล้วพอจิตเนี่ยเฝึกฝึกไปแล้วพอจิตเห็นจิตไปเรื่อยๆเ ห, เห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็พอจิตเนี่ยสงบจิตจะมีช่วงหนึ่งที่จิตเกิดความรักความเมตตา พอเห็นความรักความเมตตาแล้วจิตจะเห็นความสุขตามมาเออไม่เป็นไรค่ะก็รู้ใช่ไหมคะรู้ทีนี้ตอนนั้นจะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแผ่เมตตาเออแผ่ไปแผ่ไปทีนี้ปัญหาคือว่า บ่อยครั้งที่แผ่เมตตาแล้วรู้สึกหมดแรงอะค่ ะ, อะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เราจะไม่สบายจริงๆสำน้ำหน้าเพรเป็นเยอะลงเพิแผ่มากไปแล้วคนจะแก้่ใช่เรามีแร ง, งแค่ น, นี้เราไปแผ่เยอะๆ <c oughs> เอางี้ก่อนเวลาจิตมีความสุขจิตมีความเมตตารูว่ามีความสุขมีความเมตตานะ ถ้ามีความพอใจในความสุขพอใจในความเมตตารู้ว่าพอใจอีกชั้นหนึ่งก่อนนะแล้วถ้าจิตอยากจะแผ่เมตตานะี่ยก็แผ่เมตตาไปแล้วแผ่พอประมาณไม่แผ่จนหมดเรื่องหมดแล้วนะมันแบบก็ไปไมนั่นจิตหลงจิตมันเพลิดเพลินไปกับการแผ่เมตตาไปนเะหมือนค่ะเนี่ยหลวงพ่าทําให้ดูนะะดูออกไหมไปเรื่อยๆนะ ต้องกลับมานะไปมากมากหมดแรงเลยเออหยุดนะกลับมารู้สึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนแรงมันจะกลับมาจิตมันกลับมาเดี๋ยวมันก็มีแรงแล้วนั่นจิตมันเคลิมไปสบายแมแผ่ไปเรื่อยนั้นมันอินไปเออใช้คําว่าอินเนะี่ถูกล้วเวลาเราแผ่ไม่ตัแล้วมันอินไปนึกออกไหมนั่นแหละที่ทําให้หมดแรง หลวงพ่อก็แผ่เมตตาทั้งวันไม่เห็นจะหมดแรงเลยเพราะไม่อินนี่เร า, เ ร, าเริ่มไปอย่างนี้นะไม่อินใจใจติดอารมณ์ง่ายนะเพราะฉะั้นให้รู้ทันเวลาจิตติดอารมณ์นะฝึกให้ชินอย่ายอมติดจิตติดอารมณ์แล้วรู้จิตติดอารมณ์แล้วรู้นะต่อไปจิตจะไม่อินกับสิ่งต่างๆนะเวลาแผ่เมตตาจะไม่เหนื่อยขนาด น, นั้นนะให้คนอื่นบ้างไป จับขอบพระคุณกล่าวในมัธยการของพ่อค่ะจะมาส่งกันบ้าน่ะคะถูกแล้วล่ะต้องส่งปฏิบัติตามรูปแบบ่ะค่ะแล้วไงล่ะก็ดีแล้วสมปฏิบัติขอแนะนำเพิ่มเติมถูกแล้วใช่ั้ยคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็ก็มีบ้างรู้สึกไหมว่าเราร้ายกว่าที่คิด เนะีย่ยรู้อย่างนี้ดีนะถ้าเราเห็นความไม่ดีนะมันจะทำค่อยๆล้างไปกต่<ะ>กต้องพยายามแนะนำสอนตัวเองตลอดเลยอย่าสอนมากนะเครียดมันจะเครียดไปสอนเท่าที่จำเป็นค่ะนะไม่องั้นใจในเครียดเกินพอนาสบายๆนะอย่าให้เครียดทำแบบนี้ต่อไปไดไรไป้รู้สึกไปรู้สึกไป ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มอะไรเอออย่าลดก็แล้วกันขอบคุณค่ะนมัสการครับหลวงพ่อตอนแรกกําลังจะเล่าพงศวดานโอ้ไม่เอาหลวงพ่อเบรกผมเลยไม่เล่าแล้เอออย่าเล่าเลยไม่มีใครเขาอยากฟังคือเหลือแค่ว่าคือถงเข้าใจแล้วครับว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นพยักแฝกอะครับอืมแต่ว่าใจมันมันรู้สึกว่าได้มามันก็มันดีอ่ะเออนั่นยังมันยังไม่เห็นทุก เช่เรารู้ว่าเนี่ยเป็นภาพหลวงตานะต่อยู่กับมันก็สนุกดีเรายังไม่เห็นทุกข์ไงค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะถึงจุดที่เห็นทุกข์แล้วมันถึงยอมวางอย่าตอนนี้ยังไม่เห็นทุกข์มันไม่วางอยอยๆไปสั่งให้จิตปล่อยวางจิตไม่ปล่อยหรอกค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปแล้วก็ผมมาถูกทางแล้วนะถูกใส่เจไมขำแยกได้ครับนั่แหละเก่งเมื่อสักสามสิบปีก่อนนะ หาคนแยกขันได้นี่แทบไม่มีเลยนะเอี่ยวว่าแต่คนแยกขันเลยแค่คนรู้สึกตัวเป็นยังแทบไม่มีเลยมาถึงวันนี้นะคนรู้สึกตัวเป็นเย่แย่ไปหมดคนแยกขันได้แย่แย่ไปหมดเลยถ้าลงแยกขันได้นะ้วมันเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาได้นะมากผลอยู่หนีไปไหนถ้ามันมากพอนะค่อยๆดูไปเออแล้วก็ ลืมเลยครับหลวงพ่อนั่นแหะสัญญาณไม่เที่ยงอ๋อผมเคยได้ยินซีดีหลวงพ่อแผ่นหนึ่งครับบอกว่าถ้าเกิดว่าบารมีไม่เต็มมันจะข้ามปกข้ามชาัดไม่ได้อะครับก็เลยสงสัยว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆมันบารมีมันจะเต็มเองหรือเปล่าครับบารมีนะมันกว้างกวางนะมีทั้งสิบข้อมีทานมีศีลนะ่รนะเนคขม า, ารมีเห็นเนคขม า, ารมีไม่ใช่แปลว่าต้องออกบวชนะ ก็อย่าหลงโลกมากนะักอย่าหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรเนี่ยเพลิดเพลินแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งวันเนี้ยก็ไม่มีบารมีแล้วบารมีเนี้ยมันไม่เต็มทันทีหรอกนะค่อยๆสะสมไปความดีทั้งหลายศีลแลบารมีก็ต้องมีใช่ไหมก็ต้องรักษาศีลเมตตาบารมีก็ต้องทํานำค่อยๆฝึกจิตของเราไปเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมาสู่จุดที่ว่ามันยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะ ตรงนั้นเป็นบารมีที่เต็มจริงๆนะอันนั้นสำหรับข้ามพบเป็นพระอรหรนะันต์รอกถ้าขั้นต้นตอนี่ไม่ถึงหรอกไม่จําเป็นหรอกไม่ต้องกลัวว่าบารมีไม่ปอนะอยาให้ผิดศีลห้านะั่นเป็บารมีมีตรงไหนที่ผมติดแล้วผมมองไม่ออกนะครับมีนะมันมันมุ่งมั่นมากไปนิดนึงฝึกไปให้มันสบายๆแต่ไม่ลาเลยไม่รีบร้อนแต่ไม่ลาเลยงั้นขอบคุณครับ มาตรการค่ะหลวงพออ่ออครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาให้ไปกวาดบ้านนะคะให้อะไรนะให้กรรมฐาน ม, มาให้ไปกวาดบ้า น, นะคะ่ะอะแต่ว่าเออกวาดแล้วดูไม่ค่อยออกกับเขว่าจิตเพื่อนไปที่มือเอาอย่างนี้สิกวาดแล้วเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูแค่นั้นก็ใช้ได้รู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายถือใหม่ยัยงเห็น <He ard S 1> ไหมร่างกายพูดแค่รู้สึกนะ มีปัญหากับความรู้สึกตัวเหมือนเป็นคนคิดวไปกังวลเดี๋ยวไปกังวลกังวลมากไปใช่คไม่ไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอกดีกว่าที่คิดนะนู่นเหรอคะเออใ่แล้วไปฝึกตัวนี้ต่อนะไปฝึกทำงานไปนะถ้าใจมีสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ไปเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันใจที่สุขใจที่ทุกข์ใจที่เฉย รู้เล่นๆไปทําแค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็มีอีกข้อค่ะคือเป็นคนฟุงฟ้งซ่านแล้วภาวนานี่แหละค่ะไม่ใช่อรื่องอื่นฟุ้งแล้วก็วนไปวนมามงั้นเละไม่ต้องทําอะไรมากเราไปกวาดบ้าน <c oughs> ไปกวาดบ้านนะบ้านเราเสร็จแล้วกวาดหน้าบ้านด้วยตั้งแต่เลิกเลิกเลิกเสพ บ, บันเทิงก็เลยแบบมาคุ้งแต่เรื่องภาวนาทั้งวันไม่ดีไม่ดีนะเลยจะถามว่า ควรจะมีเครื่องอยู่ไหมคะนี่ไงยอยู่กับการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไปแล้วก็ถ้าจิตใจเป็นสุขก็รู้เคลื่อนไหวแล้วจิตใจทุกข์ก็รู้เคลื่อนไหวแล้วเฉยๆก็รู้<ๆ>นะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลงนานรู้เหมาะสําหรับกรรมฐานที่เคลื่อนไหวก ร, กระดุกรดิกไปแล้วกระดุกดิกเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายแล้วกระดุกดิกไปแล้วไม่ได้ไปดูอะไรมากนะถ้าใจสุขใจทุกข์ใจเฉยๆรู้แค่นี้พอแล้วล่ะ กรรมฐานคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะหรอกสังเกตไหมใจกังวลกังวลรู้ว่ากังวลไปเออมันบางทีมันปรุงแต่งแล้วมันมันต่อไปเรื่อยๆอย่าไปเชื่อมันขดบ้านต่อได้จะถามว่าถ้าถ้าเราบริกรรมไปอะไรจะจะอย่าไปคิดแก้สิช่วยให้มันอย่าไปคิดแก้มากนะมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งในธรรมะจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีไม่ต้องทํา กวานบ้านไปแล้วสุขทุกข์ลืมเฉยๆรู้เอาแค่นี้พอลอะไม่ต้องทำเยอะกว่านี้นะนี่เดี๋ยวยิ่งฟุ้งใหญ่หมดยังไม้ส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีวันนี้หนูพาผู้มีพระคุณมาสามบุคคลด้วยอะค่ะด้วยแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถไปที่วัดหลวงพ่อได้อะเจ้าค่ะทีนี้หนูไม่ทราบว่าระบบลงทะเบียนคือหนูจะลงเป็นคนสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะ ก็เลยอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยไหนผู้มีพระคุณคนที่หนึ่งไหนคุณแม่อยู่ไหนคือหนูเปิดซีดีให้แม่ฟังตลอดเลยค่ะแต่หนูไม่มีความสามารถที่จะดูได้ว่าแบบว่าคุณแม่แม่ทำถูกหรือเปล่าก็ค่ะแม่ยกมือเนี่ยค่ะมาเล่นการ์สังเกตความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของเราแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะค่ะ บางวันสบายใจบางวันไม่สบายใจในวันเดียวกันนะ ค, ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบาบเยน็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเไรื่อยๆน ะ, ะ, ะผู้มีพระคุณคนที่สองดีนะไม่พามาโหลหนึ่ง <laughs> <laughs> แถมนั่งอยู่ห่างๆกันซะอีกกราบนม้สกาสืม ก, การแล้วไงล่ะ ฟังท่าคุณเจ้าอธิบายก็เข้าใจดีเจ้าค่ะเข้าใจก็ดีแล้วล่ะนะเอาคนที่สามหลักละมัธยการที่คุณเจ้าเจ้าค่ะสังเกตไหมว่ากายกัดใจโคล่าล้านกันดูออกไหมใช่สังเกตออกไหมฟังฟังได้ยินไหมได้ยินเจ้าค่นนนะนะรู้สึกไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูเนี่ยอยู่ต่างหาก ค่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆนะยๆ<ช>แยกกายแยกใจไปเรื่อยๆทำได้นะได้ค่ะใช้ได้้ดสังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูวอคนเนี้ขี้อายไม่กล้าฟูนเอาละพ อ, อ, อ ค, ค่ะครับขอบพระคุณชจ้ค่ะแล้วของหนูอ่ะของหนูนะ้วค่ะคือคือครั้งสุดท้ายอะค่ะ จิตหนูไม่คลี่ไม่คลี่ออกแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ยิ้มหวานๆมันก็ยังไม่คลี่ออกอะคะ่ะทีนี้หนูก็เลยกลับไปมันรู้สึกมันก็ยังเพ่งอยู่อะคะ่ะหนูก็เลยไม่ทำพอไม่ทาแล้วมันก็มีความทุกข์บางอย่างบางอย่างที่ในชีวิตอะคะ่ะแล้วใจมันก็มันรับรู้ความรู้สึกอันนั้นนะคะมันก็เลยเริ่มแบบเริ่มจับความรู้สึกได้ว่าอันนี้ทุกแล้วก็ คราวนี้มันก็เลยเริ่มเริ่ ม, มความรู้สึกรแรงๆอะค่ะก็เริ่มจับได้บ้างจับความรู้สึกเล็กๆได้บ้างอออย่างนี้น่พอพอเออเมื่อไม่กี่วันมเนียค่ะก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะรู้สึกว่าใจมันเคลื่อนเร็วมากอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่แน่ใจตัวเองว่าว่ามันยังเพ่งอยู่ไหมเจค่ะเพ่งน้อยลงแล้วล่วะถ้าเพ่งก็เครียดนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราปล่อยเราไม่เพ่งเราก็จะเห็นว่าจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยง อย่างนี้ดีขึ้ น, นอ่ะออกกันบ้านต่อจะทําอีกไหมหมดแล้วใช่จ บ, ล, จบ ล, ละจบละวางไว้ก่อนเลยพวกเราร่วมกันจะกล่าทําถอไปนะครับมันหนักวางไว้ก่อนกันเลยข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แ ด, ด่พระอาจารย์ปราโมช์ปาโมชโชขอพระอาจารย์ปาโมต์ปาโมชโชจงรับจจตุปัจจัยทยธรรมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลงานเถิรับรับพรรับพรหน่อยนะ ยถาวารีวะหาปุราปริปูเรนตีสักรังเอวเมวะอิโตตินังเปตาณังอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันทูปนรโอยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสภาโรโควินัสตุ มาเตประวัิวันตรารโยสุขีที่ขายยโกภาวะอาพิวาธนาสีลิสนิตจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนานะับจันชนธรัมแลวก็ทางคณะหลวงอนุโมทนาพวกเราสามาฟังธรรม สานี้งานมาฟังทำ